บทภาชนีติกาปาจิตตีหนึ่งพรมที่ทําถูกต้องภิกษุณีสําคัญว่าเป็นคำที่ทําถูกต้องบวชให้ต้องอาบัตปาจิตตีกรมที an, ่ทําถูกต้องภิกษุณีไม่แน่ใจบวชให้ต้องอาบัตปาจิตตีกรมที่ทําถูกต้องภิกษุณีสําค <cascade> <sy decorative> ัญว่าเป็นกรรมที่ทําไม่ถูกต้องบวชให้ต้องอาบัตรปาจิตตีติกาทุกข์กฏ กรรมที <łość> ่ทําไม่ถูกต้องภิกษุณีสําคัญว่าเป็นกรรมที่ทําถูกต้องบวชให้ต้องอบัตตทุกกฎกรรมที่ทําไม่ถูกต้องภิกษุณีไม่แน่ใจบวชให้ต้องอบัตตทุกกฎกรรมที่ทําไม่ถูกต้องภิกษุณีสําคัญว่าเป็นกรรมที่ทําไม่ถูกต้องบวชให้ต้องอบัตตทุกกฎ